การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติที่กายกับที่ใจไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือไปจากกายและใจเลยถ้าพูดถึงขั้นตอนการปฏิบัตินะก็เรียกว่ามีสามขั้น หรือว่าสามระดับศีล ส, สมาธิปัญญาศีลนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่กายบวกวาจาก็คือว่ารักษาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองส่วนการฝึกใจนะมันก็มีสองส่วน ฝึกใจให้สงบฝึกใจให้มีความอดทนมีความอ่อนโยนเป็นต้นเนี่ยเราก็เรียกว่าสมาธินะสมาธินี่ในายศึกษานี่ไม่ได้แปลว่านิ่งสงบเท่านั้นนะยังหมายถึงคุณสมบัติอย่างอื่นด้วยที่เป็นบวกเช่นมีเมตตามีขันติ มีความเพียรมีสติฝึกใจอีกระดับหนึ่งนะซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็คือฝึกใจให้มีปัญญาเห็นความจริงนะของกายและใจซึ่งยะไม่ออกจาก สิ่งทั้งปวงนะที่อยู่รอบตัวเราความจริงของกายและใจกับความจริงของสรรพสิ่งรอบตัวเราถึงที่สุดแล้วก็อันเดียวกันไม่ได้แยกจากกันถ้าขยายความอีกหน่อยก็คือว่ากายและใจก็ประกอบไปด้วยหรือเกิดจากขัน5มารวมกัน สิ่งรอบตัวเราก็หนีไม่พ้นขัน5่าเห็นความจริงของกายและใจก็เห็นความจริงของสรรพสิ่งแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นคราวนี้กลับมาชื่อว่าการ ปฏิบัติทำไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแท้คือการฝึกฝนการอบรมการปฏิบัติที่กายกับใจไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ันนี้กายกับใจเนี่ยอยู่ด้วยกันก็จริงนะแต่ว่ามีคุณลักษณะ เรียกว่าตรงข้ามกันเลยก็ได้กายเนี่ยเป็นรูปธรรมจับต้องได้กินเนื้อที่นะมองเห็นด้วยตาจิตใจนี่ไม่รู้อยู่ไหนแม้แต่จะช่างจะวัดนะก็ทำไม่ได้ กายเนี่ยนิสัยเนี่ยชอบอยู่เฉยๆนะชอบอยู่เฉยๆคือนั่งนอนจะให้ทำอะไรนี่ก็มักจะอิดออดเช่นะจนจะให้ออกกำลังกายเนี่ยหรือว่าจะให้เดินไปที่ศาลาเนี่ยก็ไม่อยากไปขอนั่งได้ไหมนะขออยู่เฉยๆได้ไหมแต่ใจนี่ตรงข้ามนะ ใจนี่ไม่ชอบอยู่เฉยนะใจนี่ชอบเพ่นพลานไปเรื่อยนะเดี๋ยวใจแล้วก็วิ่งไปที่บ้านเดี๋ยวใจแล้วก็วิ่งไปที่ทำงานเดี๋ยวใจแล้วก็วิ่งไปเชียงใหม่เพราะว่าจะไปเที่ยวตอนสิ้นปีหรือแม่ก็วิ่งไปโน่นภูเก็ตนะมีนัดอยากจะไปเที่ยวทะเลอ่าหน้าร้อน ใจเนี่ยชอบวิ่งชอบเที่ยวไม่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบอยู่นิ่งแล้วก็นิ่งไม่เป็นตรงข้ามออกับกายเนี่กายไม่อยากจะนิ่งถ้าอยู่บ้านกอยากจะนั่งแช่นั่งแช่ดูโทรทัศน์ไปนั่งแช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ซึ่งก็เป็นอันตรายต่อ ต่อกายนะถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนสมัยหมากเกิดจากการที่นั่งแช่มากเกินไปไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เลยต้องมีการกระตุ้นให้ออกกำลังกายกันมีการชักชวนคนไปเต้นแอโรบิกนะมีการชักชวนให้คนจากเดินให้มากขึ้นขึ้นบันไดแทนที่จะใช้ลิฟต์นะ อันนี้ก็เพื่อปอี๋ของกายเพื่อปอี๋ของสุขภาพกายส่วนใจเนี่ยนะเพราะว่าชอบวิ่งไปวิ่งมาเชี่ยวสารพัดชอบคิดนั่นคิดนี่ซึ่งเป็นผลร้ายกับใจเองอย่างต่ำๆก็ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วเป็นไง นอนไม่หลับหรือไม่ก็เครียดหรือไม่ก็วิตกกังวลสิ่งที่จะฝึกใจก็คือการที่ทําให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่นิ่งๆนะแทนที่จะเพ่นพ่านไปที่ไหนก็กลับมาอยู่กับบ้านหาบ้านให้ใจก็คือความสึกตัวหรือว่า บางทีเราก็เลือย่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเวลาใจมันเพ่นพ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็ไปสองอย่างนั่นะคืออดีตกับอนาคตแล้วก็เวลาเพ่นพ่านนะมันก็มักจะเอาความทุกข์กลับมาเมื่อก็ตามที่ให้ฝึกใจให้อยู่นิ่ง อยู่กับเนื้อกับตัวดู่กับความรู้สึกตัวมันจะทุก์ไม่ได้เลยความทุกข์ก็มีสองแบบนะเราพูดว่าธรรมชาติของกายกับธรรมชาติของใจแตกต่างกันความทุกข์ของกายและความทุกข์ของใจก็แตกต่างกันด้วยกายทุกข์เมื่อ มีสิ่งมาสัมผัสที่ทำให้เจ็บปวดมีของแหลมมาทิ่มหรือว่าโดนแดดนะมากระทบเจอความหนาวมาสัมผัสก็เกิดความทุกข์กายแต่ความทุกข์ใจอีกแบบหนึ่งนะความทุกข์ใจนี่ถ้าพูดรวมๆแล้วส่วนใหญ่ทุกข์ใจเพราะคิด ทุกใจเพราะคิดคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอย่างเราอยู่ตรงนี้เนี่ยใชใจล้วไม่คิดอะไรใจล้วก็อยู่ในนึกกระตัว ก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรที่จะมารบกวนเราได้ไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความกังวลไม่เกิดความเศร้าแต่ทันทที่คิดนะคิดไปถึงลูกนึกถึงผลการเรียนของลูกที่เพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อน ก็รู้สึกหนักใจแล้วเพราะผลการเรียนของลูกมันแย่หรือนึกผลสอบนึกถึงการสอบที่จะเกิดขึ้นลูกนะต้องเรียนต่อไม่รู้จะไปสอบที่ไหนไม่รู้จะไปเรียนต่อที่ไหนก็หนักใจเหมือนกัน น, นี้ว่าทุกข์ใจนะทุกข์ใจเกิดขึ้นเมื่อเรา คิดแต่แน่นอนไม่ได้คิดเรื่องที่ดีเท่าไหร่นะไปคิดเรื่องที่มันเป็นปัญหาไปคิดถึงความบกพร่องไปคิดถึงความสูญเสียหรือไปนึกถึงภาระที่กำลังจะตามมาความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยมันอยู่ไม่พ้นนะความจริงที่ว่าทุกเมื่อเริ่มคิด แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เป็นบวกนะจะคิดถึงสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นความพร่องหรือว่าความสูญเสียคิดถึงสิ่งที่ไม่มีก็ได้มีเยอะแยะไปหมดนะแต่ก็ทุกข์เพราะว่านึกถึงสิ่งที่ยังไม่มียังไม่มีบ้าน ของตัวเองยังไม่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นคณะบดีแต่ก็ไม่ได้เป็นสักทีก็ทุกแล้วทั้งที่กายก็สบายมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่ป่วย พเราทุกเนี่ยทุเพราะความคิดนะพูดถึงความทุกข์ใจทุกเพราะความคิ ด, ม ด, คมคมคดแม้จะกินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะมีของอร่อยสัมผัสลิ้นมีเพลงที่ไพเราะนะมากระทบหูแต่สัน ท, ที่ใจเนี่ยนะไปนึกถึงเรื่องชื่อว่า นึกถึงพ่อที่กำลังป่วยนึกถึงการงานที่มีปัญหาก็ไม่มีความสุขนะอยู่ในโรงแรมหรู5ดาว6ดาวก็ยังทุกข์นะทุกข์เพราะความคิดแม้ว่ากายจะสบายแล้วก็อย่างที่บอยนั้นก็ทุกข์ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงทุกข์ในเรื่องที่ ทุกเมื่อใจเนี่ยคิดออกไปนอกตัวที่จริงเนี่ยเพียงแค่คิดเนี่ยมันไม่ทำให้ทุกข์นะถ้าเรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยนะความคิดที่ฟุ้งซ่านที่ปรุงแต่งนะมันก็จะเลือนหายไปรวมทั้งอารมณ์ที่พ่วงติดมาด้วย เวลาเราคิดเนี่ยมันไม่ได้คิดเฉยๆนะมันมีอารมณ์พ่วงตามมานึกถึงปัญหานะที่กำลังคาราคาซังอยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจความเครียดนะอันนี้เรียกว่าอารมณ์นึกถึงการกระทำที่ไม่ดีของคนใกล้ตัวเขาโกหกเขากงเงินเขานอกใจ ก, ก็เกิดความกกรดเกิดความแค้น คิดถึงความสูญเสียของคนรักนะก็เศร้านะอารมณ์เนี่ยมันมักจะเกิดมาพร้อมกับความคิดและถ้าคิดลบอารมณ์ที่ลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ตามมาและนี่แหละนะที่ทำให้ทุกขนะ์ทุกข์ใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ทันนะ รู้ชันว่าเผลอคิดไปเรารู้ตัวว่ากำลังมีอารมณ์ เ, เกิดขึ้นกับใจแค่นี้ก็เพียงพอที่ทําให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติได้นะเพียงแค่รู้ทันนะว่าเผลอคิดเนี่ยมันก็หยุดคิดไปเพราะว่าคิดเนื่องจากเผลอเนื่องจากลืมตัวพอมีสติรู้ตัวขึ้นมา ความคิดนะั้นมันก็เลือนหายไปไม่ใช่ห้ามความคิดนะไม่ใช่กดข่มความคิดนะอันนั้นมันคนละอย่างอารมณ์ก็เหมือนกันนะเพียงแค่รู้ทันรู้ตัวขึ้นมามันก็หายไปไม่ต้องไปกดไปขม่มไม่ต้องไปพยายามตัดนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าทําทไงจะแตกความโกรธให้ขาด หลวงปูด่ดนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆท่านก็ตอบว่าไม่มีใครตัดความกูเที่ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองมันดับไปเองนะเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพียงแค่ให้ความรู้ทันความรู้ตัวเกิดขึ้นอะไรที่ทำให้รู้ทัน ความคิดและอารมณ์ก็คือสตินะเมื่อมีสติเกิดเกิดขึ้นนะไอความเผยคิดหรือว่าการปรุงอารมณ์ต่างๆมันก็หยุดไปเกล็ดก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความสึกตัวขึ้นมาแล้วถ้าความสึกตัวยังอยู่อารมณ์และความคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็เบียด แทรกเข้ามาในใจเราไม่ได้มันเบียดมันแทรกเข้ามาเมื่อไหร่นะในยามที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็เข้ามาครองใจนะเหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาในบ้านนะมันก็เข้ามายึดบ้านเลยนะมันไม่ใช่แค่เอาของไปเท่านั้นนะมันมายึด นะแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละคลองใจคลองจิตครองใจงใ จ, งใ จ, จนกินไม่ได้หนอไม่หลับกลุ้มอกกลุ่มใจนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปนะีเพราะว่าความรู้ทันนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันสูญสลายไป ดังนนถ้าเราไม่อยากทุกข์ใจเนี่ยนะก็ต้องพยายามนะฝึกสติให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวทำอย่างคนเราเนี่ยสติที่มีเนี่ยมันไม่เพียงพอนะอาจะเพียงพอในการำดำเนินชีวิตประจำวันที่ราบเรียบที่ไม่มีอะไรมากระทบแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น สติที่มีอยู่นะในตัวคนทั่วไปเนี่ยมันไม่พอที่จะรับมือต้องอาศัยตัวช่วยอย่างเช่นเมื่อไม่เคยมีนายฐานคนหนึ่งงนะไปรับลูกที่โรงเรียนที่มีชื่อทางโรงเรียนเนี่ยก็ให้เข้าทางให้เข้าประตูหน้าออกประตูหลัง เดินรถทางเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดแต่แม้กระนั้นรถก็ยังติดอออยู่หน้าประตู น, ะนายสารคนนี้ก็ใช้วิธนะีใช้ทางลัดก็เข้าทางประตูออกนะซึ่งมันผิดกฎระเบียบแต่ก็ได้ผลนะก็คือว่าช่วงนั้นรถไม่ค่อยออกเลยก็เลยเข้าโรงเรียนได้แล้วก็มีที่จอดรถซึ่งก็หา ย, ยาก บังเอิญที่จอดรถเหลืออยู่แค่ที่เดียวแกก็ดีใจนะแต่สักพักก็มีผู้ปกครองคนหนึ่งจอดรถมาต่อว่าเพราะว่าผู้ปกครองคนนั้นก็มาทางถูกทำกฎทำถูกกฎระเบียบนะแต่ว่าโดนแย่งที่จอดรถไปแล้วก็ไม่พอใจก็มาต่อว่า นายฐานคนนี้นายคนนีก้ก็เลยโกรธนะพราะไม่เคยมีใครมาตอว่าแล้วก็เลยถามมาว่ารู้ไมมว่าเป็นใครผูนะ้ักควองก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่คุณทำไม่ถูกนะขับรถผิดระเบียบแต่แล้วก็เดินออกไปนายฐานก็ยังโกรธมากเอาปืด ดึงปืนออกมาจากจากลิ้นชักนะแล้วก็เดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปตอนนั้นโกรธเต็มที่นะเพราะไม่เคยมีใครมาว่าก็าบังเอิญมีพนักงานขับรถของโรงเรียนเนี่ยอยู่ ใ, ใกล้ๆก็เห็นว่าถ้าปล่อยเฉยเนี่ยคงเกิดเรื่อง ก็เดินเข้าไปแล้วแกก็ฉลาดนะรู้วิธีพูดเพราะว่าถ้ารู้ถ้าพูดผิดนี่ก็อาจจะตายได้แทนที่จะห้ามเขาเขาก็กบโกรธมายิงเราแทนแล้วก็ไปแล้วก็สัมผัสแขนเบาๆแล้วก็พูดว่าท่านครับท่านมารับรู้ไม่ใช่หรือครับนายชายคนนั้นได้เสติเลยนะความโกรธหายไปเลย พอความรู้ตัวกลับมาเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยโอ้ยกำลังทำอะไรลงไปเนี่ยยายหยุดเลยนะหันกลับเดินกลับไปที่รถเอาปืนเก็บแล้วก็ไปรับลูก น, ะนายทารคนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนมามาทักให้เกิดสติให้เกิดความรู้สึกตัวนะยาคงจะยิงผู้ปกครองคนนั้น ถ้าไม่บาดเจ็บก็พิการหรือไม่กระตายแล้วก็คงจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาทั้งกับตัวเองแล้วกับลูกที่สวงมารับด้วยลําพังสติของนายฐานคนนั้นเนี่ยไม่พอเนีเวลามีคนมาเหมือนกับว่าผู้ที่เสียหน้าเนี่ยโกรธไอ้สติที่มีเนี่ยมันไม่พอต้องใส่ตัวช่วยถ้าไม่มีตัวช่วยก็เสร็จไปแล้ว แต่คนเราจะมีตัวช่วยนะมาช่วยได้กี่ครั้งนะถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยนะมเผลอตัวทำสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าเกาะกาะอาญากรรมเลยอันจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องต้องฝึกสติของเราเนี่ยให้นะให้ทันสามารถที่จะช่วยเราในยามที่เกิด าการกระทบกระทั่งหรือว่าเกิดเหตุที่มันไม่ใช่ในยาปกติได้สติเนี่ยช่วยทำให้เรารู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็รู้ทันให้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางความคิดได้ที่จริงเนี่ยคิดเนี่ยไม่ได้เสียหายนะ คนเราก็เผลอคิดอยู่เป็นประจำแต่ปัญหาก็คือว่าพอคิดแล้วเนี่ยไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอารมณ์ก็เหมือนกันนะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งที่มันเผาใจนะทั้งที่มันกรีดใจนะความโกรธความเกลียดหรือวบีบคั้นใจ ดู ว, ว่าทำให้หนักอกหนักใจเช่นความกังวลความเศร้าทุกก็ทุกนะแต่ว่ากลับแช่อยู่ในความทุกขปล่อยใจแช่ในความทุกขหรือว่าจมอยู่ในความทุกนั้นแถมยังหวงอีกนะไม่ยอมออกจากความทุกไม่ออกจากความเศร้าไม่ออไม่ยอมออกจากความโกรธอันนี้เรียกว่ายึดนะอารมณ์ อากุศลเหลานีเนี่ยมันสร้างความรู้ให้กับใจเราใจใจเนี่ยกับแช่เนะี่ยกับจมมันไม่เหมือนกับกายนะกายเนี่ยเวลาเจอทุกเช่นเจอของแหลมเจอไฟเจอน้ำร้อนนะพอเจอปุ๊บเนี่ยนะกายเนี่ยรีบออกเลยเช่นขาเราเนี่ยเกิดไปโดนน้ำเนี่ย แม่สันจะเหยียบเต็มฝีเท้าเลยมันรีบถอนออกมาทันทีหรือว่ามือเราเนี่ยโดนไฟเรารีบชักมือชักมือออกทันทีโดยที่ไม่ต้องสั่งนะกายเนี่ยมันจะรีบออกจากความทุกข์ที่มากระทบทันทีแต่ใจเนี่ยนิสัยแตกต่างกันมันกลับแช่มันกับจมนะ อยู่ในอารมณ์แล้วก็หวงแหนในอารมณ์นั้นเวลาโกรธนี่มีคนมาแนะนำให้ว่าให้อภัยก็เถอะไม่ยอมนะแถมโกรธคนที่แนะนำํำเหมือนกับว่าความโกรธเนี่ยนะมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งความเศร้าก็เหมือนกันนะเศร้าเรื่องอะไรเนี่ยก็จะจมอยู่ในความเศร้านั้นคนชวนไปเที่ยว คนชวนออกไปข้างนอกไม่ยอมจะข อ, อนั่งเจ้าจุกอยู่ในความเศร้าไม่ว่าจะเป็นความอกหักหรือว่าความสูญเสียคนรักกนะายกระจนี่มันนิสัยคนละตรงข้างกันเลยถ้าใจเรามีนิสัยเหมือนกายนะคือว่ารู้จักสลัดความทุกข์ไปได้เร็วนะไอการที่เกิดโลกประสาตนะโรคความดัน โรคซึมเศร้าหรือว่าคิดค่าตัวตายเนี่ยคงไม่มีนะ่จพ้อนิสัยเนี่ยใจมันชอบนะแช่ชอบจมอยู่ในความเศร้านี่แหละที่มันกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราอันนี้เรียกว่าจิตที่มันชอบยึดติดนะในอารมณ์ อันนี้คือสาเหตนะุที่แท้จริงมากกว่านะความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นถ้ารู้ทันนะมันก็ไม่เกิดโทษอะไรนะแต่พอไม่รู้ทันเนี่ยก็เลยไปยึดเอาไว้ไปแช่ไว้ไปจมเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเป็นสติที่ไวมีความรู้สึกตัวที่ไวเราจะปล่อยเราจะวาง เราจะถอนใจออกจากอารมณ์นั้นได้เร็วขึ้นเป็นธรรมดาของปุถุชนนะที่มันต้องเกิดขึ้นกับใจนะแต่ว่ามันอาจมันก็จะเป็นเพียงแค่ลมที่พัดผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปเหมือนกับว่าลมที่พัดพาเอาฝุ่นเข้ามาในห้องแต่ว่าชานที่ฝุ่นนั้นมันจะเกาะอยู่ตามพื้นมันก็ลอยออกไปทางหน้าต่างอีกฝากหนึ่ง ถ้าใจเราไม่กักเก็บกักเก็บอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะปล่อยให้อารมณ์มันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ใจเราไปกักไปเก็บนะนะหรือว่าไปยึดเอาไว้นะไปแช่เอาไว้นะันนี้คือปัญหาฉันจะพูดว่าทุกข์เพราะความคิดก็คงไม่ถูกนะต้องเรียกว่าทุกข์เพราะไม่รู้ทัน ความคิดทุกข์เพราะไปยึดติดในความคิดรวมทั้งอารมณ์ด้วยสิ่งที่เราต้องฝึกนะถ้าเราปรัชนาความสุขใจคือว่าให้ใจเราเนี่ยมีสติรู้ทันนะรู้ทันความคิดเมื่อเผือคิดรู้ทันอารมณ์ที่มันโผล่เข้ามาครอบงำใจแล้วถ้าเราทันรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันก็ครอบ ง, งาใจไม่ได้นะเมือนกระโจนที่แอบเข้ามาในบ้าน แต่ว่ามันไม่ทันจะเข้ามาทำอะไรในบ้านไม่ทันจะนะเข้ามาถึงในห้องนอนเลยด้วยซ้ำพอเจ้าของบ้านเห็นศพตาเจ้าของบ้านมันก็หนีไปเองมันก็ล่าถอยไปเองเราต้องฝึกใจของเราเให้ไวอย่างนั้นเมื่อเจ้าของบ้านที่ไวทันทีที่รู้ว่าแขกแปลกหน้าหรือโจรเข้ามานะไม่ไปล่อยให้มันเข้ า, ายึดบ้านครองบ้าน ถ้าเราทำงั้นได้เนี่ยนะเราก็จะจะมีความปกติความผาสุกให้การจลรสติเนี่ยก็คือการฝึกให้ใจเราเนี่ยมีความรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรายังมีกิเลสอยู่นะยังมีความโลภความหลงอยู่นะแต่ว่ามันจะก่อปัญหาให้กับใจเราน้อยลงเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีความอยากมีความโลภเกิดขึ้นในใจมีความโกรธเกิดขึ้นในใจ หรือว่ามีความหนักอกหนักใจเพราะเผลอคิดเผลอปรุงแต่งรู้ทันมันก็วางมันก็ปล่อยได้แต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยการที่เราจะมีสติรู้ทันความคิดปล่อยวางอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนนะจะไปรู้ทันความคิดทันทีก็ไม่ได้เพราะว่าความคิดเนี่ยมันมีอุบายมีเล่นะที่สามารถจะดึงจิตให้ จมให้แช่หรือว่าให้เผลยยึดนะเป็นวักเป็นเวนได้วิธีการคือเราต้องฝึกให้ทำาขั้นตอนที่ง่ายก่อนก็คือว่าให้มารู้กายก่อนอย่าเพิ่งไปรู้ชันความคิดนะให้เป็นรู้กายก่อนยกมือเคลื่อนไหวก็ให้รู้ว่ากำลังยกมือนะเดินก็ให้รู้ว่าเดินแล้วก็ไม่ใช่รู้แค่นั้น อิริยาบถอื่นก็รู้ด้วยครึ่งนิ้วก็รู้นะถูฟันก็รู้กินน้ำก็รูนะ้อย่างที่พูดเมื่อวานว่าพระอจารย์แนะนำให้ทำความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะแต่ว่าอิริยาบถหลักที่จะใชนะ้ในการฝึกเราก็คือการสร้างจังหวะ ก, การเดินจงกรม นะให้รู้กายก่อนให้รู้กายนะเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจความคิดนะมันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของมันไปเมื่อรู้ตัวว่าเผลอเมื่มอไหร่แล้กลับมาที่กายความรู้สึกตัวหรือความรู้สึกเวลามือเคลื่อนไหวเวลาเท้าขยื่นขยับเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ มันเป็นการตัวมันเป็นตัวช่วยให้เตือนให้จิตที่กำลังเผลอฟุ้งไปเนี่ยกลับมาใหม่ๆเนี่ยจิตเราเนี่ยยังหยาบอยู่ความรู้สึกของกายเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับแรงสะกิดนะยหมย่ๆเนี่ยสะกิดยังไงก็ไม่รู้สึกก็ยังเผลอฟุ้งเผลอใจลอยแต่พอทำไปนานๆนะ พอแค่โดนสกิดนิดหน่อยเนี่ยอา้าวรู้ตัวแล้วกลับมาไอการยกมือสร้างจังหว ะ, ะการเดินเนี่ยนะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนี้ไม่ใช่ feeling หรือเวทนาแต่มันเป็น sensation หมึว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นมันทำหน้าที่เหมือนกับตัวสกิดนะเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับคนที่กำลังโกรธแล้วก็มีเพื่อนมาสกิดเนี่ยนะ พอเรารู้ว่ามีคนมาส ก, กิดเราก็รู้สึกตัวได้สติขึ้นมาไอาการความรู้สึกเวลามือเคลื่อนไหวเท้าเดินเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับแรงส ก, กิดนะใหม่ๆเนี่ยคนยังผู้ปฏิบัตใหม่ๆยังไม่คุ้นกับแรงส ก, กิดนี้ก็ยังไปเรื่อยคิดเรื่อยเปื่อยแต่พอโดนสะ ก, กิดบ่อยๆโดนสกิดบ่อยๆเอ้ยได้สติกลับมานะ ประโยชน์มันมีตรงนี้นะประโยชน์มันมีขั้นในแ่อีว่าเป็นคล้ายๆเป็นเป็นบ้านของใจให้ใจเนี่ยมารับรู้ไม่ๆเอาเอากายเป็นบ้านก่อนเอากายเป็นบ้านให้ใจเนี่ยมารับรู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวที่กำลังยกมือแต่มันก็รับรู้แต่ประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแต่มันไปยังไงก็ตามเนี่ยพอรู้สึกถึงแรงสะกิด มันก็จะกลับมาแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่เนี่ยคิดไป10เรื่องถึงค่อยกลับมาเพราะว่ารู้สึกถึงแรงสะกิดแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไปได้แค่สองสเรื่องอก็รับรู้ถึงแรงสะกิดแล้วกลับมาเร็วขึ้นกลับมาเร็วขึ้นตอนหลังเนี่ยคิดเรื่องเดียวไม่ทันจบเรื่องจบเรื่องเลยก็กลับมาแล้วเพราะว่าไวต่อแรงสะกิดนะแรงสะกิดเนี่ยคือความรู้สึกที่มือเคลื่อนไหวที่เท้าเดินนะ มันมีประโยชน์ตรงนี้การใช้ลมหายใจก็มีประโยชน์นะจ๊ะลมลมหายใจนี่มันเป็นแรงสะกิดที่เบามากเป็นแรงสะกิดที่แผ่วเบามากนะังั้นคนที่ใจลอยเนี่ยบางทีลมหายใจเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่หรือช่วยได้ได้น้อยแต่ถ้าเจอแรงสะกิดทีห่หนักหนักหน่อยชัดๆหน่อยเช่นมือที่เคลื่อนนะหรือเท้าที่เดินเนี่ย จะช่วยทำให้รู้ตัวได้เร็วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่บ้านคือความสึกตัวได้ไวขึ้นนะอาย์พู้ที่ฝึกไปเนี่ยนะเดี๋ยวเพิ่งไปรู้ทันเดี๋ยวเพิ่งพยายามไปรู้ทันความคิดนะให้รู้กายก่อนนะถ้าทำถ้ารู้กายนะได้ไวขึ้นต่อเนื่องขึ้นเนี่ยต่อไปสติก็จะมีความสามารถฉับไวในการรู้ทันความคิด ได้เร็วขึ้นเอาแล้วช้ก็พูดอนนี้นะอา้ากบระ